สิองวินัยยวาระวาระว่าด้วยวินัยวินัยคือสมุขาวินัยสมุขาวินัยคือวินัยวินัยคือเยปุยสิกาเยปุยสิกาคือวินัยวินัยคือสติวินัยสติวินัยคือวินัยวินัยคืออมโลหวินัยอมูลหาวินัยคือวินัยวินัยคือปติญญาตกรณะ ปติญญาตะกระณะคือวินัยวินัยคือตัสปาปยสิกาตัสปาปยสิกาคือวินัยวินัยคือตินนวัธารกะตินนวัธารกะคือวินัยวินัยเป็นสมุขาวินัยก็มีไม่เป็นสมุขาวินัยก็มีแต่สมุขาวินัยเป็นทั้งว <Bild. Laughs. S 2> ินัยเป็นทั้งสมุขาวินัยวินัยเป็นเยปุยัสิกาก็มีไม่เป็นเยปุยสิกาก็มี แต่เยปุยสกาเป็นทั้งวินัยเป็นทั้งเยปุยสิกาวินัยเป็นสติวินัยก็มีไม่เป็นสติวินัยก็มีแต่สติวินัยเป็นทั้งวินัยเป็นทั้งสติวินัยวินัยเป็นอโมูลหะวินัยก็มีไม่เป็นอโมราหะวินัยก็มีแต่อโมูลหะวินัยเป็นทั้งวินัยเป็นทั้งอโมูลหะวินัยวินัยเป็นปฏิญญาตกรณะก็มีไม่เป็นปฏิญญาตกรณะก็มี ตปติญญาตะกรณะเป็นท er. so so ั้งวินัยเป็นทั้งปติญญาตะกรณะวินัยเป็นตัสปาปยัสิกาก็มีไม่เป็นตัสปาปยสิกาก็มีแต่ตัสปาปิยสกาเป็นทั้งวินัยเป็นทั้งตัสปาปยสกาวินัยเป็นตินณวัารกะก็มีไม่เป็นตินณวถารกะก็มีแต่ตินณวัารกะเป็นทั้งวินัยเป็นทั้งตินะวัารกะ BE> วินยวาระที่ส2องจบ 13. กุศลวาระวาระว่าด้วยเป็นกุศลสามุขาวินัยเป็นกุศลอกุศลอพยากฤิตเยปุยสิกาเป็นกุศลอกุศลอพยากฤตสติวินัยเป็นกุศลอกุศลอัภยากฤิตอมูลหาวินนยเป็นกุศลอกุศลอพยากฤิตปะดิญญาตะการณะเป็นกุศลอกุศลอพยากฤต ตาสปาปยัสกาเป็นกุศลอกุศลอภยยากฤตตินวัารกะเป็นกุศลอกุศลอัพยากฤิตสามุขาวินัยเป็นกุศลก็มีเป็นอัพยากฤิตก็มีสามุขาวินัยเป็นอกุศลไม่มีเยผุยัสกาเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤตก็มีสติวินัยเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤตก็มี อมูละหาวินัยเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็ม nah, ีเป็นอพยากลิตก็มีปติญญาตกรณะเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอภยากลิตก็มีตัสปาปิยสิกาเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอภยากลิตก็มีตินวัฏารกะเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอภยากฤตก็มี วิวาทาธิกอนเป็นกุศลอกุศลอัพยากฤิตอนุวาทาธิกอนเป็นกุศลอกุศลอัพยากฤิตรอปตตาธิกอนเป็นกุศลอกุศลอภยยากฤิตกิจจาทิกอนเป็นกุศลอกุศลอภพยากฤิตวิวาทาธิกอนเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอภยยากฤิตก็มีอนุวาทาธิกอนเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤิตก็มี อาปัตตาทิกรเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยกฤิก็มีอาปัตตาธิกรที่เป็นกุศลไม่มีกิจตาธิกรเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอ Grammy ัพยกฤิก็มีกุสล ว, วาระที่สิบาจบ14ยัตถวาระปุจฉาวาระวาระว่าด้วยณที่ใดและวาระว่าด้วยการถาม ได้เยปุยสิกาในที่ใดก็จะได้สามุข า, าวินัยในที่นั้นได้สมุขาวินัยในที่ใดก็จะได้เยปุยสิกาในที่นั้นแต่จะไม่ได้สติวินยัยอโมลหาหะวินยัยปติญญาตกรนะณะตัสปาปิยสิกาตินนวัธารกะในที่นั้นได้สติวิน h, ันยในที่ใดก็จะได้สามุขาวินัยในที่นั้นได้สมุขาวินัยในที่ใด ก็จะได้สติวินัยในที่นั้นแต่จะไม่ได้อมูลหาวินัยปฏิญญาตะกรณะตัสปาปยัสกาตินวัธารกะเยภุยัสกาในที่นั้นได้อมูลหาวินัยในที่ใดก็จะได้สามุขาวินัยในที่นั้นได้สามุขาวินัยในที่ใดก็จะได้อมูลหาวินัยในที่นั้นแต่จะไม่ได้อปฏิญญาตกรณะตัสปายัสกาตินวัธารกะ เยผุยสิกาสติวินัยในที่นั้นได้ปฏิญญาตกรณะในที่ใดก็จะได้สัมุขาวินัยในที่นั้นได้สัมุขาวินัยในที่ใดก็จะได้ปฏิญญาตกรณะในที่นั้นแต่จะไม่ได้ตัดสปาปิยสิกาตินวัฏฐาะเยพุยสิกาสติวินัยอมูลหาวินัยในที่นั้นได้ตัดสปาปิยสิกาในที่ใด ก็จะได้สามุขาวินัยในที่นั้นได้สามุขาวิไนในที่ใดก็จะได้ตัสปาปิยะสิกาในที่นั้นแต่จะไม่ได้ตินนวัารกะเยผุยสิกาสติวินัยอโมลหาวิไนปติญญาตะกรณะในที่นั้นได้ตินนวทารกะในที่ใดก็จะได้สามุขาวินัยในที่นั้นได้สามุขาวิไนในที่ใดก็จะได้ตินนวทารกะในที่นั้น แต่จะไม่ได้เยปุยสิกาสติวินัยอโมลหาวินัยปติญญาตะกรณะตัสปาปิยสิกาในที่นั้นได้เยปุยสิกาในที่ใดก็จะได้สามุขาวินัยในที่นั้นได้สามุขาวินัยในที่ใดก็จะได้เยปุยสิกาในที่นั้นแต่จะไม่ได้สติวินัยอโมลหาวินัยปติญญาตะกรณะตาสปาปิยสิกา ติ น, นวัาฐา ะ, ะในที่นั้นได้สติวินัยในที่ใดก็จะได้สามุคขาวิ น, ยนัใบบในานายในที่นั้นได้สามุคขาวินัยในที่ใดก็จะได้สติวินัยในที่นั้นแต่จะไม่ได้อโ ม, มลหาวินยัยปติญญาตกรณต ะ, กะตัสปาปิยสิกาตินวัารกะเยภุยสิกาในที่นั้นจัดสามุคขาวินัยเป็นมูลได้ตินวัาฐาะในที่ใด ก็จะได้สามุขาวินัยในที่นั้นได้สามุขาวินัยในที่ใดก็จะได้ตินนวัาระกะในที่นั้นแต่จะไม่ได้เยพุยสิกาสติวินยัยอโมลหาวินยัยปฏินยาตะกรณะตาสปาปยสิกาในที่นั้นจากกะไปยานจบยัถาวาระที่14จบส5ห้าสมถาวาระวิสัชนาวาระ วาระว่าด้วยเรื่องสมถะและวาระว่าด้วยการตอบสมัยใดอธิกรระ ง, งับด้วยสมุขาวินัยและเยปุยสิกาได้เยปุยสิกาในที่ใดก็จะได้สมุขวินัยในที่นั้นได้สมุขวินัยในที่ใดก็จะได้เยปุยสิกาในที่นั้นแต่จะไม่ได้สติวินยัยอมูลหะวินยัยปติญญาตะกะระณะตัสปาปิยสิกา ติ น, นวัฏฐากะในที่นั้นสมัยใดอธิกรระงับด้วยสมุขาวินัยและสติวินยัยได้สติวินัยในที่ใดก็จะได้สมุขาวินัยในที่นั้นได้สมุขาวินัยในที่ใดก็จะได้สติวินัยในที่นั้นแต่จะไม่ได้อมูลหาวินยัยปติญญาตกระณะตัสปาปยสสกาติ น, นวัฏฐากะเยภุยสิกาในที่นั้น สมัยใดอธิกรระ ง, งับด้วยสมุขาวินัยและอโมหาวินยัยได้อโมลาวินัยในที่ใดก็จะได้สามุขาวินัยในที่นั้นได้สมุขาวินัยในที่ใดก็จะได้อโมหาวินัยในที่นั้นแต่จะไม่ได้ปฏิญญาตะกรณะตัสปาปิยสิกาตินวถารกะเยภุยสิกาสติวินัยในที่นั้น สมัยใดอธิกรระงับด้วยสมุขาวินัยและปฏิญญาตกระณะได้ปฏิญญาตกระณะในที่ใดก็จะได้สมุขาวินัยในที่นั้นได้สมุขาวินัยในที่ใดก็จะได้ปฏิญญาตกระณะในที่นั้นแต่จะไม่ได้ตัสปาปิยสิกาตินวัารกะเยปุยสิกาสติวินัยอมูลหาวินัยในที่นั้นสมัยใดอธิกรระงับด้วยสามุขาวินัย และตัดสปาปิยสิกาได้ตัดสปาปิยสิกาในที่ใดก็ OK? จะได้สามุขาวินัยในที่นั้นได้สามุขาวินัยในที่ใดก็ OK? จะได้ตัดสปาปิยสิกาในที่นั้นแต่จะไม่ได้ตินวัฏารกะเยผุยสิกาสติวินยัยอมูลหาวินยัยปติญาตกรณะในที่นั้นสมัยใดอธิกรระ ง, งับด้วยสามุขาวินัยและตินวัฏารกะ ได้ตินนวัาระกะในที่ใดก็จะได้สมุขาวินัยในที่นั้นได้สมุขาวินัยในที่ใดก็จะได้ตินนวัาระกะในที่นั้นแต่จะไม่ได้เยผุยสิกาสติวินัยอมูลหะวินัยปฏิญญาตะกรณะตัสปาปิยะสิกาในที่นั้นสมถวาระที่15จบ 16. สังสัทธวาระ วาระว่าด้วยอธิกรกับสมถะรวมกันถามธรรมเหล่านี้คืออธิกรก็ดีสมถะก็ดีรวมกันหรือแยกกันพึงได้เพื่อที่จะบัญญัติแบ่งแยกธรรมเหล่านี้ให้เป็นต่างๆกันไปได้หรือตอบธรรมเหล่านี้คืออธิกรก็ดีสมถะก็ดีแยกกันไม่รวมกันก็แลพึงได้เพื่อที่จะบัญญัติแบ่งแยกธรรมเหล่านี้ให้เป็นต่างๆ ผู้วิสัชนานั้นพึงถูกท้วงว่ายากล่าวอยางนั้นทำเหล่านี้คืออธิกรก็ดีสมถะก็ดีรวมกันไม่แยกกันและไม่พึงได้เพื่อที่จะบัญญัติแบ่งแยกธรรมเหล่านี้ให้เป็นต่างๆข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไมิใช่หรือว่าภิกษุทั้งหลายอธิกรเหล่านี้มีสี่สมถะมีเจ็อธิกรระ ง, งับด้วยสมถะ สมรรถระงับด้วยอธิกรอย่างนี้ทมเหล่านี้จึงรวมกันไม่แยกกันและไม่พึงได้เพื่อที่จะบัญญัติแบ่งแยกทมเหล่านี้ให้เป็นต่างๆสังสัทธาวาระที่16จบ17 สัมมติวาระวาระว่าด้วยอธิกรระงับถามวิวาธาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่อนุวาทาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่อาปัตตาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไร่กิจจาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาทาธิกรระงับด้วยสมถะสองคือหนึ่งสมุขาวินัยสองเยผุยสิกา อนุวาธาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะสี่คือหนึ่งสามุขาวิไนยัย 2. สติวิไนยัยมอมูลหาวิไนัย่ 4. ตัสปาปิยศสิกาอาปตาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะสามคือหนึ่งสามุขาวิไนยัย 2. ปติญญาตะการะสตินนวัธาธรกะกิจจาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะหนึ่งคือสามุขาวินาันถาม วิวาทาทิกรและอนุวาทาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาทาทิกรและอนุวาทาทิกรระงับด้วยสมถะหา 5. คือ 1. สามุขาวินยัย 2. เยพุยสิกา 3. สติวินยัย4อมูลหาวินยัย 5. ตัสปาปิยะสิกาถามวิวาทาทิกรและอาปัตาทิกอระงับด้วยสมถะเท่าไร ตอบวิว า, าทาธิกอนและอาปาตาธิกอนระ ง, งับด้วยสมถติสี่คือ 1. ส ม, มุขาวิไนย 2. เยปุยสิกา 3. ปฏิญญาตะการณะ 4. ตินนวัธารกะถามวิว า, าทาธิกอนและกิจจาธิกอนระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบวิว า, าทาธิกอนและกิจจาธิกอนระ ง, งับด้วยสมถะิสองคือ 1. สั ม, มุขาวิไนย 2. เยปุยสิกาถามอนุวาทาธิกรและอาปาตาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอนุวาทาธิกรและอาปาตาธิกรระงับด้วยสมถะหคือ 1. สัมมุขวินยัย 2. สติวิไนสย 3. อมูลหะวิไนยัย 4. ปติญญาตะกระณะ 5. ตัสปาปิยสิกา 6. กตินวัธารกะถาม อนุวาทาธิกรและกิจาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอนุวาทาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะสี่คือหน it. well enfin ึ่งสามุขาวิในัย 2. สติวิในัยมอมูลหะวิในัย 4. ตัสปาปิยสิกาถามอาปตาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาปตาธิกรและกิจจาธิกร ระ ง, งับด้วยสมถะสาคือหนึ่งสมุขาวิไนัย 2. ปฏิญญาตะการะสามตินนวัารกะถามวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกอนและอาปตาธิกอนระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกอนและอาปตตาธิกอนระ ง, งับด้วยสมถะเจ็คือหนึ่งสมมุขาวิไนัย 2. เยภุยสิกา สสติวินัยสี่อมูลหาวินัยหปฏิญญาตะกรณะ 6. ตัสปาปิยสิกา 7. ตินวัารกะถามวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรและกิจาธิกรระงับด้วยสมถะหคือ 1. สามุขาวินัย สเยภุยาสิกา 3. สติวินัยสอมูลหาวินัยหตัสปาปยาสิกาถามอนุวาทาธิกรอาปัตาธิกรและกิจาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบอนุวาทาธิกรอาปัตตาธิกรและกิจาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะหกเคยหนึ่งสามุขาวินัย 2. สติวินัยสอมูลหาวินัย สี่ปติญญาตะกระณะ 5. ตัสปาปิยสิกา 6. กตินนวัธารกะถามวิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรอาปัตาธิกรและกิจาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรอาปัตตาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะเจ็คือ 1. สมุขาวิไนสองเยปุยาสิกา สสติวินัยสี่อมูลหวินัยหปฏิญญาตะกรณะ 6. ตัสปาปยศิกา 7. ตินวัารกะสัมมติวาระที่17จ็ดจบสิบสัมมตินะสัมมติวาระวาระว่าด้วยอธิกรระงับและไม่ระงับถามวิวาธาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไร อนุวาธาธิกรอาปัตตาธิกรกิจชาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาธาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะสองคือหนึ่งสมุขาวิไนสองเยปุยสิกาไม่ระ ง, งับด้วยสมถะหคือหนึ่งสติวิไนสองอมุลหาวิไนสามปฏิญญาตะกระณะ 4. ตัสปาปิยสิกา หตินวัธารากะอนุวาัาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะสี่คือหนึ่งสมุขาวิไนสองสติวิไนยัยมอมูลหะวิไนัย่ 4. ตัสปาปิยสิกาไม่ระ ง, งับด้วยสมถะสามคือหนึ่งเยปุยะสิกาสองปฏิญญาตะกรณะสตินวัธารากะอาปัตาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะสามคือหนึ่งสมุขาวินยัย สปฏิญญาตะกรณะสมตินนวถารกะไม่ระ ง, งับด้วยสมถะสี่เคยหนึ่งเยผุยสิกาสองสติวินยัยสามอมูลหะวินยัยสตัสปาปิยสิกากิจจาธิ่กรระ ง, งับด้วยสมถะหนึ่งเคยสามุขาวินยัยไม่ระ ง, งับด้วยสมถะหกเคยหนึ่งเยผุยสิกาสองสติวินยัยสามอมูลหะวินยัย สีปติญญาตะกรณะ 5. ตัสปาปิยสิกา 6. ตินวถารกะถามวิว า, าทาธิกรและอนุวาธาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาธาธิกรและอนุวาธาธิกรระงับด้วยสมถะหคือหนึ่งสามุขาวิไนสองเยปุยสิกาสาสติวิไนยัย่อมูลหาวิไน หตัสปาปิยสิกาไม่ระ ง, งับด้วยสมถะสองคือหนึ่งปฏิญญาตะกรณะสองตินนวัธารกะถามวิว า, าทาธิกอนและอาปัตตาธิกอนระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไร่ตอบวิว า, าทาธิกอนและอาปัตตาธิกอนระ ง, งับด้วยสมถะสี่คือหนึ่งสมุขาวิไนยัย 2. เยปุยสิกา สามปติน ญ, ญาตะการณะ 4. ตินนวถารกะไม่ระงับด้วยสมถะสามคือหนึ่งสติวินยัยสองอมูละหะวินยัยสตัดสปาปิยสิกาถามวิวา ท, าทิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไหรตอบวิวา ท, าทิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะสองคือหนึ่งสมุขาวินยัย สเยปุยสิกาไม่ระ ง, งับด้วยสมถะห้คือหนึ่งสติวินยัยสองอะโมลหาหะวินยัยสปฏิญญาตะกรณะ 4. ตัสปาปิยสิกา 5. เตนวัธารกะถามอนุวาธาธิกรและอาปัตตาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหรไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอนุวาธาธิกรและอาปัตาธิก ร, รงง ระงับด้วยสมถติหคือหนึ่งสมุคขาวินัยสสติวินัยสามอมูลหะวินัยสปฏิญญาตะกระณะ 5. ตัสปาปิยาสิกา 6. ตินวัธารกะไม่ระงับด้วยสมถติาหนึ่งคือเยปุยาสิกาถามอนุวาทาธิกรและกิจาธิกรระงับด้วยสมถตาเท่าไรไม่ระงับด้วยสมถตาเท่าไรตอบ อนุวา ท, าทิกรและกิจาทิกรระ ง, งับด้วยสมถะสี่คือหนึ่งสมุขาวิไนยสสติวิไนยสอมูลหะวิไนยสตัสปาปิยสิกาไม่ระ ง, งับด้วยสมถะสามคือหนึ่งเยปุยสิกา 2. ปฏิญญาตะกรณณส 3. ตินวัธารกะถามอาปตตาธิกรและกิจาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไหร่ ไม่ระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาปาตาธิกรและกิจจาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะสามคือหนึ่งสามุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตะกรณะสาตินวัฏฐาน ะ, ะไม่ระ ง, งับด้วยสมถะสี่คือหนึ่งเยผุยสิกาสสติวิไนยัยมอมูลหะวิไนัย่ 4. ตัสปาปิยสิกาถาม วิวาทาทิกร์อนุวาทาทิกร์และอาปัตาทิกร์ระงับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาทาทิกร์อนุวาทาทิกร์และอาปัตตาทิกร์ระงับด้วยสมถะเจ็ดคือหนึ่งสมุขาวิไนสองเยปุยสิกาสสติวิไนยัย 4. อมูลหาวิไนห้ 5. ปติญญาตะกระณะ 6. ตัสปาปิายสิกา เจตินหวทารกะถามวิวาทิกรอนุวาทิกรและกิจจทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ไม่ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาทิกรอนุวาทิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะหคือหนึ่งสมุขาวิไนัย 2. เยปุยสกา 3. สติวิไนัย่อมูลหาวิไน หตัสปาปิยสิกาไม่ระงับด้วยสมถติาสองคือหนึ่งปฏิญญาตะกระณะ 2. ตินวัฏารกะถามอนุวาัาธิกรอปัตาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถตาเท่าไรไม่ระงับด้วยสมถตาเท่าไรตอบอนุวาัาธิกรอปัตตาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถติาหกคือหนึ่งสมุคขาวินัย 2 ส, สติวินัยสามอมูละหาวินัยสีปฏิญญาตากรณะ 5. ตัสปาปิยสิกา6ตินนวัารกะไม่ระ ง, งับด้วยสมถะหนึ่งคือเยปุยสิกาถามวิวาทาธิกร อ, อนุวา ท, าทิกรอนอาปัตาธิกรและกิจจาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรไม่ระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบ วิวาธาธิกรอนุวาวาธิกรอาปัตติกรและกิจจธิกรระ ง, งับด้วยสมถะเจ็ดคือหนึ่งสั ม, มุขาวินยวัยสองเยปุยสิกาสสติวินยัยสีอโมลหาวินยัย 5. ปติญญาตะกรณะ 6. กตดสปาปิยสิกาเจตินวัาระกะสั ม, มันตินะสั ม, มันติวาระที่18จบ Iner, ส player, ิ ส, สมถาทิกรณวาระวาระว่าด้วยอธิกรระงับด้วยสมถะถามสมถะระงับด้วยสมถะหรือสมถะระงับด้วยอธิกรหรืออธิกรระงับด้วยสมถะหรืออธิกรระงับด้วยอธิกรหรือตอบสมถะระงับด้วยสมถะก็มีสมถะไม่ระงับด้วยสมถะก็มีสมถะระงับด้วยอธิกรก็มี สมถะไม่ระงับด้วยอธิกรณ์ก็มีอธิกรณ์ระงับด้วยสมถะก็มีอธิกรณ์ไม่ระงับด้วยสมถะก็มีอธิกรณ์ระงับด้วยอธิกรณ์ก็มีอธิกรณ์ไม่ระงับด้วยอธิกรณ์ก็มีถามสมถะระงับด้วยสมถะได้อย่างไรสมถะไม่ระงับด้วยสมถะได้อย่างไรตอบเยผุยสิการะงับด้วยสัมุขาวินัยไม่ระงับด้วยสติวินัยอโมลหาวินัย ปติญญาตะกรณะตัสปาปิยสิกาตินวัธารกะสติวินัยระงับด้วยสมุขวินัยไม่ระงับด้วยอมูลหาวินัยปติญญาตะกรณะตัสปาปิยสิกาตินวัธารกะเยพุยสิกาอมูลหาวินัยระงับด้วยสัมมุขวินัยไม่ระงับด้วยปติญญาตะกรณะตัสปาปิยสิกาตินวัธารกะเยพุยสิกา สติวินัยปติญญาตกรณะระงับด้วยสมุคขาวินัยไม่ระงับด้วยตัสปาปยสิกาตินวัฏารกะเยปุยสิกาสติวินัยอมูลหะวินัยตัสปาปยสิการะงับด้วยสมุคขาวินัยไม่ระงับด้วยตินวัฏารกะเยปุยสิกาสติวินัยอมูลหะวินัยปติญญาตกรณะตินวัฏารกะ ระงับด้วยสมุขา ok วินัยไม่ระงับด้วยเยปุยสิกาสติวินัยอมูลหาวินัยปติญาตะกะระณะตัสปาปิยาสิกาสมถะระงับด้วยสมถะได้อย่างนี้สมถะไม่ระงับด้วยสมัธะได้อย่างนี้ถามสมถะระงับด้วยอธิกรณ์ได้อย่างไรสมถะไม่ระงับด้วยอธิกรณ์ได้อย่างไรตอบสมุขวินัยไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกรณ อนุวาธาธิกร์อาปัตตาธิกร์แต่ระงับด้วยกิจจาธิกร์เยปุยสิกาไม่ระงับด้วยวิวาธาธิกร์อนุวาธาธิกร์อาปัตตาธิกร์แต่ระงับด้วยกิจจาธิกร์สติวินัยไม่ระงับด้วยวิวาธาธิกร์อนุวาธาธิกน์อาปัตตาทิกร์แต่ระงับด้วยกิจจาธิกน์ อาโมลหวินัยไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกอนอาปัตตาธิกอนแต่ระงับด้วยกิจจาธิกรอนปติญยาตะกรณะไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกอนอาปัตตาธิกอนแต่ระงับด้วยกิจจาธิกรอนตัสปาปิยสิกาไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกอนอาปัตตาธิกอน แต่ระงับด้วยกิจาธิกรตินวัารกะไม่ระงับด้วยวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรอปาตาธิกรแต่ระงับด้วยกิจจาธิกรสมัะระงับด้วยอธิกรได้อย่างนี้สมัะไม่ระงับด้วยอธิกรได้อย่างนี้ถามอธิกกรระงับด้วยสมัะได้อย่างไรอธิกกรไม่ระงับด้วยสมัธะได้อย่างไรตอบ วิวาทธิกรระงับด้วยสมุขาวิไนและเยปุยสกาไม่ระงับด้วยสติวิไนอามูลหาวิไนปติญญาตกรณะตัสปาปิยสกาและตินวัธารกะอนุวาธาธิกรระงับด้วยสัมุขาวินัยสติวินัยอามูลหาวิไนและตัสปาปิยสกาไม่ระงับด้วยเยปุยสกาปติญญาตะกรณะ และตินวัารกะอปาตาธิกรระงับด้วยสมมุขวิไนปติญญาตะการณะและตินวัารกะไม่ระงับด้วยเยปุยสิกาสติวินัยอโมลหะวิไนและตัสปาปิยสิกากิจจาธิกรระงับด้วยสมมุขวิไนไม่ระงับด้วยเยปุยสิกาสติวิไนอโมลหะวิไนปติญญาตะการณะตัสปาปิยสิกา และตินวัารากะอธิกรระงับด้วยสมถะได้อย่างนี้อธิกรไม่ระงับด้วยสมถะได้อย่างนี้ถามอธิกรระงับด้วยอธิก ร, ไ, กรได้อย่างไรอธิกรไม่ระงับด้วยอธิกรได้อย่างไรตอบวิวาธาธิกรไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกรอนุวาธาธิกรอาปตาัตาธิกรแต่ระงับด้วยก ja ิจาธิกร อนุวาทาธิกอนไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกอนอาปัตาธิกอนแต่ระงับด้วยกิจาธิกอนอาปัตตาธิกอนไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกรอนอาปัตาธิกอนแต่ระงับด้วยกิจจาธิกอนกิจจาธิกรอนไม่ระงับด้วยวิวาทาธิกอนอนุวาทาธิกรอนอาปัตาธิกอนแต่ระงับด้วยกิจจาธิกอน อธิกรณ์ระงับด้วยอธิกรณ์ได้อย่างนี้อธิกรณ์ไม่ระงับด้วยอธิกรณ์ได้อย่างนี้สมะถะทั้งหสมุทฐานอาธิกรณ์ทั้งสอย่างระงับด้วยสมุขวินยัยแต่สมุขาวินัยไม่ระงับด้วยอะไรสมะถะที่กรณวาระที่19บกจบ สมุทาเปติวาระวาระว่าด้วยอธิกรยังอธิกรให้เกิดขึ้นถามวิวาธาธิกรบรรดาอธิกรสี่อย่างยังอธิกรอย่างไหนให้เกิดขึ้นบรรดาอธิกรสี่อย่างวิวาธาธิกรไม่ยังอธิกรอย่างไหนให้เกิดตอบอีกอย่างเพราะวิวาธาธิกรเป็นปัจจัยอธิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้ มีอุปมาเหมือนอะไรเหมือนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมวิวาสกันว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นอธรรมนี้เป็นวินัยนี้ไม่ใช่วินัยนี้พระตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้นี้พระตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้จริยาวัดนี้พระตถาคตทรงประพฤติมาจริยาวัดนี้พระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมานี้พระตถาคตทรงบัญญัติไว้ นี้พระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้นี้อาบัตนี้เป็นอนาบัตนี้เป็นอาบัตเบานี้เป็นอาบัตหนักนี้เป็นอาบัตที่มีส่วนเหลือนี้เป็นอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือนี้เป็นอาบัตชั่วยาบนี้เป็นอาบัตไม่ชั่วยาบความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งการทุ่มเถียงการกล่าวต่างกันการกล่าวโดยประการอื่นการพูดเพื่อความกลัดกลุ่ม ความหมายมั่นในเรื่องนั้นนี้เรียกว่าวิวาทาธิกรสงวิวาทกันในวิวาทาธิกรจัดเป็นวิวาทาธิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจดจัดเป็นอนุวาทาธิกรเมื่อโจทย่อมต้องอาบัตจัดเป็นอาบัตตาทิกรสงทากรรมตามอาบัต น, นั้นจัดเป็นกิจจาธิกรเพราะวิวาทาธิกรเป็นปัจจัยอธิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้อย่างนี้ ถามอนุวาทาธิกรบรรดาอธิกรสี่อย่างยังอธิกรอย่างไหนให้เกิดอนุวาทาธิกรบรรดาอธิกรสี่อย่างไม่ยังอธิกรอย่างไหนให้เกิดตอบอีกอย่างเพราะอนุวาทาธิกรเป็นปัจจัยอธิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้มีอุปมาเหมือนอะไรเหมือนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมโจทย์ภิกษุด้วยศีลวิบัติบ้างอาจาราวิบัติบ้าง ทิฏฐิวิบัติบ้างอาชีววิบัติบ้างการโจทการกล่าวหาการฟ้องร้องการประท้วงความคล้อยตามการพยายามโจ์การสนับสนุนในเรื่องนั้นนี้เรียกว่าอนุวาทาทิกรสงย่อมวิวาทกันในอนุว า, ธาทธิกรจัดเป็นวิวาทธิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจ์จัดเป็นอนุว า, ธาทธิกรเมื่อโจดย่ยอมต้องอาบัต จัดเป็นอาปัตตาธิกรสงฆ์ธรรมกรรมตามอาบัตินั้นจัดเป็นกิจจาทิกรเพราะอนุวา ท, าทิกรเป็นปัจจยัยอาทิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้อย่างนี้ถามอาปัตตาทิกรบรรดาอธทิกรสี่อย่างยังอาทิกรอย่างไหนให้เกิดอาปัตตาทิกรบรรดาอธทิกรสี่อย่างไม่ยังอาทิกรอย่า ง, งไหนให้เกิดตอบอีกอย่าง เพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยอธิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้มีอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกองอาบัตาทั้งหชื่ออาปัตตาธิกรกองอาบปาทั้ง7ก็ชื่ออาปัตตาธิกรนี้เรียกว่าอาปัตาธิกรสงย่อมวิวาทกันในอาปัตตาธิกรจัดเป็นวิวาธาธิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจท์จัดเป็นอนุวาธาธิกรเมื่อโจดย่ยอมต้องอาปาท จะเป็นอาปัตตาธิกรสงฆ์ธรรกรรมตามอาบัตินั้นจะเป็นกิจจาธิกรเพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยอธิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้อย่างนี้ถามกิจจาธิกรบรรดาอธิกรณสี่อย่างอย่างอธิกรอย่างไหนให้เกิดกิจจาธิกรบรรดาอธิกรณสี่อย่างไม่ยังอธิกรอย่างไหนให้เกิดตอบอีกอย่างเพราะกิจชาธิกร อาิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้มีอุปมาเหมือนอะไรเหมือนความที่สงมีกรรมที่จะพึงทำความที่สงมีกิจที่จะต้องทำอปโลกนะกรรมยติกรรมยติทุติยกรรมยติจตุตกรรมนี้เรียกว่ากิจอาธิกรสงย่อมวิวาทกันในกิจอาธิกรจัดเป็นวิวาถาธิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจรจัดเป็นอนุวาธาธิกร เมื่อโจทย่อมต้องอาบัตจัดเป็นอาบัตตาธิกรสงฆ์ทากรรมตามอาบัตนั้นจัดเป็นกิจจาธิกรเพราะกิจาธิกรเป็นปัจจัยอาิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้อย่างนี้สมุดฐาเปติวาระที่ยี่สบจบ